คำสอนในสติปัฏฐานสูตรเป็นคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหมือนกับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยจะศึกษาก็ต้องศึกษาเป็นระดับปริญญามีแบ่งเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการศึกษาร่ำเรียนที่จะต้องทำเป็น ระดับระดับสี่ระดับด้วยกันคือโสดาบันสกิดาคามีอาณาคามีอรหันต์นี่คือปริญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่สี่ระดับด้วยกันความจริงมันก็สามระดับแต่ท่านแยกระดับที่สองที่สามออกจากกัน ความจริงจะเทวะเป็นสองกับสามนี้เป็นระดับเดียวกันก็ได้แล้วก็ระดับที่สามก็คืออาลาัดพระอารหันต์การที่จะบรรลุปริญญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสี่ระดับนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติ เพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วถึงจะมีกำลังที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อตัดกำลังตัดตัณหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจ ดังนั้นในสติปัฏฐานสูตรถ้าอ่านเบออื้องต้นนี้พระตาจ้าก็บอกว่าให้ลองไปนั่งสมาธิอยู่นั่งที่โขนไม้นั่งหลับตาแล้วก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกลองนั่งดูว่านั่งได้หรือไม่ถ้านั่งไม่ได้แสดงว่าสติยังไม่มี ก็ให้ออกจากให้หยุดการนั่งก่อนแล้วมาฝึกสติก่อนให้มาเจริญสติที่เรียกว่ากายยกตาสติคือให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายถ้าอ่านในสติปัฏฐานนั้นบอกว่า ทำอะไรขอให้รู้ว่าร่างกายกาลังอะไรให้เฝ้าดูอย่าไปอย่าสงใจไปที่อื่นให้รู้ว่าเรากำลังยืนเรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนเรากาลังทำอะไรอยู่กำลังรับประทานอาหารกำลังตักอาหารเข้าปากกำลังเคี้ยวกาลังกลืน ให้รู้ทุกขั้นตอนของการกระทำของร่างกายถ้าหันหน้าไปทางซ้ายก็ให้รู้ว่าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาก็ให้รู้ว่าหันหน้าไปทางขวายกมือซ้ายขึ้นก็ให้รู้ว่ายกมือซ้ายขึ้นยกมือขวาขึ้นก็ให้รู้ว่ายกมือขวาขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรปัดกวาดลานวัดเดินบินธบาต นี่ท่านสอนพระกิจวัตรของพระให้รู้อยู่แต่กิจวัตรเหล่านั้นถ้าเป็นฆร า, าวาสญาติโยมก็เหมือนกันเพราะต้องมาอยู่วัดปฏิบัติถึงจะได้ผลในชีวิตประจำวันของผู้คองเรือ น, นี้จะไม่ไม่อื้อเฟือต่อการเจริญสติเพราะจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานต่าง ส่วนงานของนักบวชงานของผู้ที่อยู่วัดนี้จะไม่ต้องใช้ความคิดมาก mm hmm. การจเจริญสตินี้เป้าหมายเพื่อหยุดความคิดนั่นเอง mm hmm. หยุดความคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วเวลามานั่งสมาธิก็จะสามารถหยุดความคิดหยุดจิตได้อย่างเต็มที่ จิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้นี่คือขั้นที่หนึ่งคือเจริญสติเจริญสติแล้วก็ไปนั่งสมาธิสลับกันไปสลับกันมาจนกว่าจะได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่ของง่ายนะจะได้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธินี้ไม่ใช่ของง่ายขนาดหลงตาท่าน บวชเป็นพระอยู่หกปีทั้นว่าจิตดวมแค่สามครั้งเทนั้นเองเป็นพระแต่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติท่านยังเรียนหนังสืออยู่ยังอยู่วัดบ้านไเรียนหนังสือก็เหมือนอยู่ในบ้านในเมืองก็ยังใช้ความคิดอยู่มากใช้ความคิดอยู่กับการท่องจำคำสอนต่างๆ พอตอนคืนจะมานั่งสมาธิก็สงบได้ยากท่านบอกว่าท่านจิตเคยรวมให้สามครั้งด้วยกันหกปีระยะหกปีที่บวชที่ศึกษาก่อนที่จะออกปฏิบัติท่า น, นพอหลังจากที่ท่านจบรเรียนสามท่านบอกพอแล้วเรียนไปก็ไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นเพราะจะเป็นการเรียนภาษาบาลี ไม่ได้เป็นการเรียนคําสอนธรรมะเป็นการเรียนวิธีอ่านภาษาบาลีวิธีเขียนบาลีท่านก็เห็นว่าไม่ได้ทําให้พัฒนาขึ้นทางด้านจิตใจท่านก็อยากจะออกปฏิบัติท่านก็เลยมุ่งไปหาหลวงปู่มัน่นเพื่อให้ท่านได้เพื่อได้ศึกษากับหลวงปู่มัน่น ตอนที่ท่านพบหลวงปู่มัน่นข้า้งแรกไปแบบขออยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านก็บอกว่าโชคดีพอดีมีกุติว่างท่านได้อยู่และวหลงปู่มัน่นท่านก็แนะนําว่าความรู้ที่ได้เรียนมาถึงป ร, ริญญนสามนี้อย่าเพิ่งเอามาใช้เพราะไม่เป็นประโยชน์มันไม่มีความสามารถที่จะมาทําลายกิเลสปัญหา ได้ตอนนี้ให้มาพุ่งไปที่การทำใจให้สงบก่อนฝึกสติกับสมาธิก่อนอ น, นี่ขนาดหลองปู่มั่นสอนตรงกับหนักของสติปัฏฐานสี่สอนว่าอย่าเพิ่งไปทางปัญญาปัญญามีอยู่เยอะแล้วเรียนจบนักธรรมตีโทเอกรู้หมด รู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างกิเลสตัณหามีชนิดไหนบ้างรู้หมดแต่ทำอะไรมันไม่ได้มไม่มีกำลังขอให้มาฝึกสตินั่งสมาธิก่อนความรู้จะได้เรียนมาตอนนี้ให้ยกไว้บนหิ้งก่อนอย่าไปคิดถึงมันเป็นอันขาเพอคิดแล้วจะทำให้ใจไม่สงบนี่คือ ปัญหาของคนที่เรียนรู้มากพอมาปฏิบัติแล้วมันอดคิดไม่ได้ชอบคิดว่าตอนนี้อยู่ชานที่เท่าไหร่แล้ชานหนึ่งชานสองชานสามคิดไปแต่ที่จิตมันจะรวมมันก็เลยไม่รวมเพราะมันนั่งคิดอยู่กับชานเวลานั่งสมาธิจริงๆนี้ห้ามคิดให้เพ่งดูลมอย่างเดียวไม่ให้รู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นพอ อย่าไปคิดว่าตอนนี้กำลังเกิดปิติหรือยังเกิดสุขหรือยังขนลุกหรือยังเกิดความสว่างขึ้นมาหรือยังเรือเกิดนูน่นเกิดนี่ขึ้นมาก็ไปหลงติดตามดูอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีฝึกสมาธินะี่อย่าคิดอย่าไปรับรู้อะไรสิ่งที่ให้รับรู้อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับสิ่งที่เราต้องรู้ ถ้านั่งอานาปนาสติก็ต้องรู้ลมรู้ลมอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปรู้อย่าไปสนใจเสียงเข้ามาอย่าไปสนใจแสงสว่างเข้ามาอย่าไปสนใจอาการเจ็บปวดทางร่างกายเข้ามาอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวหรือพุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตมันก็จะขยับเข้าไป การเข้าบางทีมันก็ไม่ได้เข้าตามตาําราทีละขั้นทีละตอนบางทีมันโุทธเข้าไปเลยจากหนึ่งเข้าไปสี่เลยเหมือนเกียร์ออโ ต, โต้มันผ่านไปงั้นอย่าไปกังวลว่ามันจะไปอย่างไงบางครั้งมันก็ไปทีละขั้นลงไปทีละนิดสงบไปทีละนิดสงบไปทีละหน่อยเป็นขั้นขั้ น, นบันไดก็มี บางทีก็เป็นแบบสไลเดอร์ลงพรวดลงไปเลยที่เรียกว่าตกหลุมตกบอ่อตกเหวแต่มันจะเป็นแาดไหนไม่สำคัญขอให้มันไปถึงจุดที่เรียกว่าอุเบกขาแล้วกันจิตจะหยุดคิดฝุงแต่งสัตว์ดาวลูจิตเฉยก็ต่ออารมณ์ทั้งปวงรักลบรั ก, กชังกลัวหลงนี่จะหายไป จะรับรู้อะไรจะได้ยินอะไรจะมีเวทนาแบบไหนก็จะเฉยเไม่มีความรู้สึกไม่มีความไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้รับรู้สักแต่ว่ารู้อนนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติควรที่จะทำเป็นขั้นไป ไมาเช่นั้นถ้าจะเอามาปนกันนั่งวิปัสสนาการพอนั่งสมาธิ พ, พิจารณากายพิจารณากายก็ไม่เห็นว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่อจะไปให้มันเห็นไม่เห็นหรอกมันเรื่องการพิจารณานี่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะให้มันเอปรากฏขึ้นมาตามที่เราพิจารณาเออมันเป็นการพิจารณาแบบ วิเคราะห์ศึกษาไม่ได้เป็นแบบว่านั่งแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วจะมีภาพของปัญญาโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เราต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะเช่นร่างกายมันรวมกันมันมีอาการสามสิบสองเราก็ต้องแยกแยะวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรบ้างแยกออกมา อร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันอันนี้เราแยกออกมาแยากด้วยความนึกคิดเนี่ยเอามากองเป็นกองกองก็ได้ะเอาผมกองไว้กองเอาขนกองไว้กองเอาเล็บ ก, กองไว้กองเอาฟันกองไว้กองเอาหนังกองไว้กอง น, นี่กองสามสิบสองกองอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา แต่เราไม่ต้องการเจริญในตอนที่เรานั่งสมาธิตอนนั่งสมาธินี้ห้ามเจริญวิปัสสนาห้ามพิจารณาถ้าต้องการความสงบถ้าต้องการอัปปนาสมาธิอย่าไปพิจารณาเป็นอันขาดพิจารณาแล้วจิตจะไม่มีวันรวมได้ต้องเพ่งอย่างเดียวเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในสติปัฏฐานท่านก็สอน ลมหายใจเข้าออกเป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานเราจะเอาอย่างอื่นแทนลมหายใจเข้าออกก็ได้เช่นบางคนอยากจะเพ่งโครงกระดูกก็ได้นึกถึงภาพโครงกระดูกแล้วก็เพ่งให้เห็นแต่โครงกระดูกบางคนจะเอาสีก็ได้สีเขียวก็เพ่งดูสีเขียวสีแดงก็เพ่งดูสีแดง อันนี้อยู่ในกรรมฐานสี่สิบกสินสิบบางคนจะใช้พุทธานุสติพุทโธพุทโธไปก็ได้บางคนจะเอาธรรมานุสติธ ร, รมโมธรรมโมไปก็ได้บางคนจะเอาสังขานุสติก็สังโฆสังโฆไปก็ได้นี่เป็นขั้นตอนของการเข้าสู่อัปปนาสมาธิสมาธิมีสอง มีสมลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งสงบแต่สงบแบบนกกระจาะกินน้ำรวมปั๊บแล้วก็ถอยออกมาแบบงูแลบลิ้นแต่ความรู้สึกมาสัญจันใจนี้เหมือนกับอัปปนาสมาธิคือมีสูอความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจสักแต่ว่ารู้อยู่เพียงแป๊บหนึ่ง อันนี้เปรียบเหมือนกับดูหนังตัวอย่างสมาธิแบบสมาธิตัวอย่างคือคณิกะสมาธิเข้าไปได้ชั่วคราวแต่จะเป็นหนังตัวอย่างที่ทำให้อยากจะซื้อตัว๋วจองตั๋วดูหนังจริงคือดูอัปปนาสมาธิพอได้คณิกะสมาธิแล้วทีนี้ความเพียรมันจะมาเองศรัทธามันจะมาเอง ฉันทะวิริยะจะมาเองทีนี้ยังไม่อยากจะทาอะไรอยากจะเข้าสมาธิอยากจะเดินจงกรมอยากจะเล่านสติอยากจะนั่งสมาธิถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้อัปปนาสมาธิต่อไปก็สงบนานห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงถ้ามีสติมากๆ ฝึกบ่อยๆฝึกแบบไม่หยุดไม่หย่อนฝึกแล้วก็เดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินอันนี้มันจะทาให้เข้าสมาธิได้แต่จะเข้าสมาธิบางทีก็นอกจากมีหนังตัวอย่างแล้วบางทียังต้องมีตั๋วพิเศษถึงจะได้เข้าดูก่อนคนอื่นถ้าเป็นตัวธรรมดาอาจจะต้องรอหลายเดือนเพราะคิวยาว วิธีที่จะาลาัดคิวก็คือต้องมีมีมาตรการแสรมงความเพียรเช่นการอดอาหารการอดอาหารนี้มันจะทำให้เราหิวทำให้เราทุกข์เมื่อมันหิวมันทุกข์มันก็จะทำให้เราต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิ <c oughs> พอนั่งสมาธิแล้วใจจะหายหิวอันนี้มันเป็นตัวเรก การอดอาหารนี้มันเป็นตัวเร่งหรือไปอยู่ที่มันน่ากลัวหวาดเสียวถ้าไม่ภาวนาแล้วใจมันจะเสียวมันจะหวาดกลัวถูกบังคับให้นั่งคือต้องหามาตรการที่จะมาบังคับให้เรานั่งให้มากให้เข้าสมาธิให้บ่อยการอดอาหารก็วิธีหนึ่งการไปอยู่ที่น่ากลัวก็วิธีหนึ่งไปอยู่ในป่าชา้าไปอยู่ในป่าที่มีเสือ สัตว์สิงสาราสันได้ยินเสือคำราม อ, นนอันนี้มันจะบังคับให้ต้องนั่งสมาธิไม่เช่นั้นใจมันจะสั่นใจมันจะกลัวแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้คือมาตรการที่มาช่วยเสริมถ้าอยู่แบบสบายๆมันขี้เกียจ น, นั่งวานละหนก็พอแต่ถ้ามันหิวข้าวเนี่ยมันเดี๋ยวต้องนั่งอยู่เรื่อย พอออกมาก็จะเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวคิดถึงข้าวก็หิวแล้วก็ต้องกลับไปนั่งใหม่เดินยองกองควบคุมความคิดแม่มันคิดหรือบางคลับงไม่มันคิดไปในทางที่ทำให้ไม่หิวให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่ออกมาจากทวารหนักให้ดูอาหารเหล่านี้มันก็จะช่วยคลายความหิวได้ อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาะปัญญาเพื่อระงับความหิวแล้วก็นั่งเข้าไปนั่งสมาธินนี่แหละเป็นนอกจากที่เราได้คณิกะสมาธิแล้วมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติแล้วแต่มันก็ยังขี้เกียจได้มันจะปฏิบัติน้อยอาจจะปฏิบัติแค่นั่งครั้งสองครั้งะ เดี๋ยวก็ไปนอนดีกว่าออกินอิ่มแล้วมันสบายมันก็หาหมอนออแต่ถ้าไม่กินนี่มันหิวมันไม่นอนออมันจะเดินจงกลมเริ่มนั่งสมาธิออการอดอาหารมีประโยชน์อย่างนี้การไปอยู่ที่น่าเกียด น, น่ากลัวเปออ็นมาตรการที่จะเสริมความภาคเพี่ยนเสริมการปฏิบัติ ให้ไปได้อย่างรวดเร็วนี่นี่คือช่วงที่เจริญสติสมาธินี่ถ้าได้คณิกะแล้วมันจะมีกําลังที่จะอดอาหารได้มันจะไปอยู่ที่หน้ากลัวได้เพราะมันรู้วิธีแก้ปัญหาเวลาเกิดความกลัวหรือเวลาเกิดความหิวมันจะใช้การเข้าสมาธิแต่ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้ ใช้มาตรการเหล่านี้แล้วไม่ได้ะควบคุมใจไม่ได้เดี๋ยวใจหิวก็อดไม่ได้เดี๋ยวต้องออกไปกินไปอยู่ที่น่ากลัวเดี๋ยวหยุดความกลัวไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติเบื้องต้นเบื้องต้นถ้ายังไม่มีคา น, นิกะนีต้องเจริญสติให้มากคอยควบคุมความคิดตลอดเวลา แล้วพยายามนั่งเรื่อยๆถ้าไม่นั่งก็เดินอย่าไปทําภารกิจที่ต้องใช้ความคิดต่างๆเช่นไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรนี้ก็ถ้าอ่านก็อ่านเพียงพอประมาณก็พอเช่นวันละชั่วโมงนี้ก็พอฟังเทศฟังธรรมเลือ่ออ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เกิดความกระจ่างความเข้าใจในกิจที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ ในขั้นที่เรากำลังปฏิบัติอยู่อย่าไปอ่านธรรมะแบบครอบคุมไปถึงขั้นนิพพานเลยมันไกลเกินไปเราอยู่ระดับปริญญาตีอย่าไปอ่านระดับปริญญาเอกเอาแค่ระดับปริญญาตีให้เรารู้ว่าวิธีทำใจให้สงบนี้ทำอย่างไรก่อนอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งนขั้นสติต้อง ควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือร่างกายร่างกายนี้มันอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลามันไม่ได้ไปอดีตมันไม่ได้ไปอนาคตแต่ใจเรามักจะทิ้งร่างกายแล้วก็ไปอดีตกันคิดถึงเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้คิดถึงพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ า, าจองตั๋วแล้วจะไปไหน ไปนู่นมานี่จะไปทําอะไรคิดไปนู่นหรือว่าคิดกลับไปอดีตเอวันก่อนไปทําอะไรมาออันนี้แหละเป็นตัวที่จะทําทให้จิตไม่มีเวลเข้าสู่สมาธิได้เหมือนกับเวลาที่เราร้อยได้เข้าเข็มเนี่ยใช่ไหมถ้าไปทางซ้ายของลูก็ไม่เข้าไปทําขวาของลูเข็มก็ไม่เข้า มันต้องอยู่กองกลางอยู่ตรงรูอันนี้จิตเวลาจะเข้าสมาธิก็เหมือนกับเอาเอาได้นี่เข้ารูเข็มจะสายไปทางซ้ายก็ไม่ได้สายไปทางขวาก็ไม่ได้จะคิดอดีตก็ไม่ได้คิดอนาคตไม่ได้ต้องคิดปัจจุบันคิดอยู่กับลมคิดอยู่กับร่างกายคิดอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ อพอเข้าได้แล้วก็อย่าไปพิจารณาทันทีเวลาเข้ามันไม่คิดอะไรปล่อยมันนิ่งไปให้มีสติรู้ว่ามันนิ่งรู้ว่ามันสงบแล้วก็ให้มันนิ่งอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งถ้าสมาธิยังไม่แข็งก็อย่าเพิ่งไปคิดถ้านั่งต่อไปได้ก็พุทโธใหม่ดูรมใหม่เอารอบสอง เอารอบสองรอบสามถ้านั่งไม่ไหวเมื่อยลุกขึ้นมาเดินก็สติใหม่ฝึกสติต่อไปพุทธโธไปดูร่างกายไปดูเท้าดูก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไป เ, าเดินไปจนเมื่อยอยากจะนั่งก็กลับมานั่งใหม่ดูลมใหม่หรือพุทธโธใหม่ให้มันจิตนิ่งสงบเป็นอัปปนาใหม่ทาอย่างนี้ไป ในขณะในช่วงที่เรากำลังฝึกสมาธิไม่ใช่พอสงบปั๊บก็จะพิจารณาปัญญาไม่ต้องรีบร้อนปัญญาเรามีเยอะแยะอยู่แล้วเรารู้ตายรักกันอยู่แล้วเรารู้เกิดแก่เจ็บตายกันอยู่แล้วแต่ทำใจกับมันไม่ได้เท่นนั้นเองรับมันไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาทีนี้เราต้องฝึกอุเบกขาบ่อยๆ ให้มันมีกําลังมากเพราะต่อไปเราจะใช้อุเบกขาสู้กับตัณหาความอยากความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายเความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีอุเบกขาสู้มันไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญา หรือว่ามันเป็นตายรักหรือว่าเป็นทุกข์ก็ยังอดที่จะอยากได้มันไม่ได้แต่พอมีอุเบกขาแล้วแล้วปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าปัญญาบอกเป็นอนิจจังทุกขากัลยาัตาก็ไม่เอาดีกว่าอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มดีกว่าดื่มแล้วติดเนี่ยถ้าทำอะไรด้วยความอยากแล้วมันจะติดแต่ถ้าทำแล้วทาตามความจาเป็นมันไม่ติด ทำตามเวลาเจนอาหารกินตามเวลานี้มันจะไม่ติดแต่ถ้ากินตามความอยากแล้วมันจะติดมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้มันก็จะทุกข์เนี่ยนี่คือปัญญาขั้นที่สองที่ขั้นที่หนึ่งเราสติแล้วก็ขั้นที่สองพอได้อัปปนาสมาธิก็ฝึกจนชนานาญ สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งนั่งปุ๊บห้านาทีจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วทำยางนี้ให้มันจำนานพอเราจำนานแล้วทีนี้พอออกจากสมาธิมาก็แทนที่จะฝึกสติก็มาฝึกปัญญาได้ฝึกร่างกายเนี่ยใช่ม กายเวทนาจิตเนี่ยมีสามข้อสอบด้วยกันสามระดับระดับแรกกายให้พิจารณาว่ากายนี้ไม่เที่ยงก่อนกายนี้เกิดแก่เจ็บตายนี่คือไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์เนี่ย ถอนใจไปเรื่อยๆแล้วทดสอบดูว่าไม่ทุกจริงหรือเปล่ า, าพาร่างกายไปทิ้งที่มันจะตายที่มันมีโอกาสจะตายได้เช่นลุยไปในป่าเลยเดินเข้าไปในป่ า, าไม่ต้องเดินตามทางเดินเดินเข้าไปเผื่อเหยียบงูมันจะได้ตายาดูชิว่ามันกลัวตายไหมาถ้ามันกลัวตายก็แสดงว่ายังมีความอยากไม่ตายอยู่ก็ต้องใช้ ใช้ปัญญาบังคับมันมาถึงเวลามันจะต้องตายจะทำยังไงห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะตายให้มันตายไปพอปลงได้พอยอมตายได้ใจก็หายกลัวอันนี้จะเห็นชัดต้องมีข้อทดสอบต้องมีความเป็นความตายมาท้าทายถึงจะรู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวจริง หายกลัวจริงหรือไม่มันจะรู้ถ้ามันผ่านความตายมาได้ครั้งหนึ่งแล้วมันรู้ต่อไปมันจะไม่กลัวตายอีกต่อไปเนี่ก็ขั้นเรื่องขั้นของความตายปล่อยวางร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราที่พิจารณาธาตุสีเพื่อหเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เตนพิจารณาอาการสามสิบสองก็ให้เราเห็นว่าไม่มีเราในร่างกายอันนี้ลองแยกชิ้นส่วนร่างกายออกมาดูก็เหมือนไอโฟนเนี่ยลองแกะมันออกมาดูเลยเราจะมีตัวเราอยู่ในไอโฟนนี้หรือเปล่าไม่มีเรารู้ว่าไม่มีแต่ถ้าเราเป็นหลงคิดว่าเราเป็นไอโฟนขึ้นมาทำาัไงเราก็ต้องแกะมันออกมาดูเราอยู่ตรงไหนวะอบกว่าร่างกายนี้เป็นเราเราเป็นร่างกาย เราเป็นตรงไหนเป็นที่ผมเหรอถ้าเป็นที่ผมกนผมทิ้งไปหมดแนละ้วเรายังอยู่หรือเปล่าเอายังอยู่นี่วะเออเรามันคือความคิดนี่ว่ามันไม่ใช่ผมอ่ะลองไล่ไปดูเลยเอาผมทิ้งไปเราก็ยังอยู่เออเอาขนทิ้งไปหมดก็ยังอยู่เอตัดเล็บทิ้งไปก็ยังอยู่ถอนฟันออกไปหมดเราก็ยังอยู่ดังั้นมันก็สรุปได้ว่า ในร่างกายนี้มันมีอาการสาสิบสองที่ไม่ใช่เราทั้งนั้นมันเป็นมันเป็นอาการเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่นำไส้น้อยนำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเอันนี่คือส่วนประกอบของร่างกาย ที่เราไปหลงว่าคิดว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้ต้องพิจารณาบ่อยๆจนเปลี่ยนทัศนคติจากการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเรากลายเป็นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟพอเวลาร่่งกายนี้ตายไปอาการสามสิบสองมันก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไป เวลาตายไฟก็ออกไปก่อนแล้วลมก็ออกไปก่อนแล้วไม่มีลมหายใจแล้วลมเข้าไม่มีแล้วมีแต่ลมออกลมออกจากร่างกายเป็นกลิ่นไงกลิ่นกลิ่นเหม็นนี่ก็เป็นลมนออกมาทางร่างกายกลิ่นแล้วก็ทีนี้อะไรทีนี้ก็ไฟก็ออกไปจับร่างกายคนตายดูนี่มันอุ่นเหมือนร่างกายคนเป็นหระเออ่ แล้วต่อไปน้าก็จะไหลออกมาถ้าไม่เอาไปเผาไม่เอาไปแช่แข็งสมัยนี้จไปแช่แข็งกันนะเพื่อจะได้ให้น้ามันแข็งมันจะได้ไม่ไหลออกมาจะได้ไม่เน่าแต่ถ้าเอาไปทิ้ไงไว้ในป่าชา้าเดี๋ยวมันก็มันก็เน่าพองขึ้นมาของเหลวต่างๆที่อยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาน้ำหนองน้ำเลือดน้ำอะไรต่างๆ จนต่อไปมันก็แห้งกรอบส่วนที่เหลือก็เป็นดินไปกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาธาตุสีให้เห็นว่านี่แหละคือร่างกายนะฮะทำมาจากธาตุสีกลับไปสู่ธาตุสีเวลาเข้ามาก็เข้ามาทางอาหารธาตนะุมาอาหารต่างๆนี่ก็เป็นธาตุทั้งนั้นข้าวมันมาจากไหน ข้าวมันมาจากดินหรือมันมาจากสวรรค์มันมาจากท้องฟ้าหรือมันมาจากดินถ้าไม่มีดินจะปลูกข้าวได้ไหมนอกจากดินแล้วถ้าไม่มีน้ำผสมมันจะเป็นข้าวขึ้นมาได้เปล่าแล้วถ้าไม่มีอากาศให้มันหายใจมันจะเจริญเติบโตได้ไม้มต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็ใช้อากาศนีมมันก็มีใช้อากาศหายใจเหมือนกัน นอกจากอากาศยังต้องใช้ความร้อนด้วยถ้าอากาศหนาวแข็งนี่มันเป็นมันก็จะเกิดต้นข้าวขึ้นมาไม่ได้เช่นแถวขั้วโลกเหนือนี่ไม่มีข้าวขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะมันหนาวเกินไปมันเย็นเกินไปไม่มีไฟถ้าไปปลูกในทะเลทรายก็ไม่มีน้ำก็ไม่ขึ้นอีกมันต้องมีครบทั้งสี่มันถึงจะ จเจริญเ ต, ติบโตออกมาเป็นโรงข้าวได้อย่างอื่นก็เหมือนกันผักก็เหมือนกันผักข้าวหรือปลาหรือสัตว์ที่กินสัตว์มันก็ต้องกินข้าวกินผักก่อนข้าวที่สัตว์ที่ข้าวที่ผักผักกับข้าวที่สัตว์กินก็เข้าไปเป็นเนื้อต่อไปแล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์มากินออมันก็เป็นเป็นธาตุเหมือนกันทำมาจากธาตุเหมือนกัน เราเข้ามาสู่ร่างกายมันก็ามาเป็นผมขนเล็บฝันนะเนี่ยผมเรายาวออกมาได้เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราเติมธาตุเข้าไปเรื่อยๆเรากินข้าวอยู่ทุกวันเราหายดื่มน้ําอยู่ทุกวันหายใจอยู่ทุกวันทุกเวลาเรามีความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาร่างกายมันจึง อ, อสามารถที่จะเอาธาตุที่เข้ามาในทาง ทางร่างกายนี้มาเปลี่ยนให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันต่อไปได้ถ้ายังเด็กมันก็ทําให้เจริญเ ต, ติบโตขึ้นมาพอโตเต็มที่มันก็พยุงรักษาไม่ให้ตายมันก็จะเริ่มเสื่อมพอมันจเจริญเต็มที่แล้วธรรมชาติของร่างกายมันก็จะเริ่มนับถอยหลังพอสี่สิบห้าสิบแล้วทีนี้มันถึงขีดจเจริญเต็มที่แล้ว มันก็จะเริ่มนับถอยหลังเริ่มแก่ลงแก่ลงไปเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็หยุดหายใจพอหยุดหายใจธาตุทั้งสีก็เริ่มแยกตัวกันทันทีะธาตุลมไปก่อนธาตุไฟตามไปตอนต้นเวลาไม่หายใจจับร่างกายยังไม่เย็นแต่ทิ้งไปสักพักหนึ่งแนละ้วสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปจับดูอา้าวเย็นแล้วเนี่ย แดงธาตุไฟไปแล้วถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวธาตุน้ำก็ออกมาละไหลออกมาทางทวารต่างๆต่อไปก็พองผุพองแล้วก็แตกเละออกมาจนกระทั่งมันแห้งไปส่วนที่แห้งก็ที่เหลือแห้งก็เป็นส่วนดินไปทิ้งไปสักระยะหนึ่งมันก็ผุพังไปกลายเป็นดิน นี่คือการพิจารณานี่อันนี้แหละให้ทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วราย่ารมในสมาธิต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดเจนจนไม่สงสัยว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเป็นอะไรกันแนะ่มันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงของมันมันไม่ได้เป็นเราโมหะความหลงมันมาหลอกเราให้ไปยึดไปถือว่ามันเป็นเราเท่านั้นเอง ไปคิดว่ามันเป็นเราแต่ดูจริงๆแล้วมันเป็นอะไรขณะที่มีชีวิตยอยู่มันก็เป็นอาการสามสิบสองพอมันหยุดหายใจมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่คือการพิจารณาน่างกายพิจารณาจนมีความมั่นใจรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยมันได้ก็จะไม่กลัวตายถ้ายังไม่รู้ว่ากลัวก็ไม่กลัวก็เอาไปพิสูจน์ดู ไปหาที่มันจะทำให้ร่างกายตายแล้วเอาปัญญานี้มาสอนใจดูว่าจะสอนใจให้มันยอมรับได้หรือไม่ว่าไอ้ที่ตายนี้ไม่ใช่เราเราก็คือผู้พิจารณานี้เองผู้คิดว่าร่างกายเป็นเรามันเป็นเพียงความคิดเนี่ยพอไม่คิดร่างกายก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบไม่คิดอะไรความรู้สึกว่าเราก็หายไปหมด พอเราคิดปับ๊บความรู้สึกว่าเราก็โผล่ขึ้นมาทันทีฉะนั้นสรุปได้ว่าเราคือความคิดเท่นั้นเองร่างกายไม่ใช่เราร่างกายดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกทางกันไปในที่สุดหยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ทุกข์ในอริยสัจอันนี้ไม่ใช่ทุกข์กเวทนา ทุกขเวทนาคือความเจ็บของร่างกายอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากความอยากไม่ตายเรียกว่าวิวิป ว, วะตันหาภาวะคืออยากอยากอยู่ภาวะตันหาคือการอยากอยู่วิาวะตันหาคือการอยากไม่ตายถ้าเกิดตันหาความอยากทั้งสองนี้แล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทางใจ ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าตอนเองปล่อยร่างกายได้หรือไม่ได้ก็ดูที่ใจนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยยังอยากอยู่ยังอยากไม่ตายถ้ายอมตายแล้วจะรู้ว่าไม่ทุกข์ใจมันจะเฉยลงไปกลับไปที่อุบเบกขาทันทีพอหยุดพอหยุดตั้นหาความอยากได้จิตก็จะกลับไปอุบเบกขา ไอ้ตัวที่ดึงจิตออกจากอุเบกขาก็คือตัณหานี่เองไอ้ตัวที่จะตัดตัณหาให้ให้จิตกลับไปสู่อุเบกขาก็คือปัญญาอปัญญาก็จะสอนว่านี่กําลังอยากนะอยากในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอยากให้มันเป็นของเราอพอรู้ว่ามันจะไม่เป็นของเราก็ทุกข์เพราะยังอยากให้มันเป็นของเราอยู่แต่พอยอมตายอามึงจะตายก็ตาย ถ้ามันไปเป็นซากสศพไปให้มันไปกลับคืนสู่ดินน้านมไฟไปใจก็จะสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาไม่ทุกข์แล้วก็จะรู้ว่านี่แหละไม่กลัวตายแล้วความตายเพราะรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ก็ขั้นของร่างกายร่างกายมีสองขั้นแตเอาขั้นขั้นนี้ก่อนขั้ น, นความตายก่อน ยอมตายปล่อยวางร่างกายให้มันตายได้ข่้นที่สองก็คือความเจ็บของร่างกายที่เรียกว่าเวทนานกายเวทนาจิตนี้เราก็มาตัดการกับเวทนาที่เกิดในร่างกายร่างกายก็มีเวทนาสามมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเจ็บนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนา เวลาหายเจ็บก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาที่ไม่เจ็บหรือไม่ไม่หายเจ็บมันก็เฉยเฉยเวทนาเวทนากลางกลางมันก็มีสามเวลาหายเจ็บอาจจะเรียกว่าเป็นไม่ทุกเวทนาไม่สุขเวทนาก็ได้เวลาสุขเวทนาก็คือเวลาได้สัมผัสกับอะไรที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเช่นร่างกายอยู่ข้างนอกมันร้อน พอไปเข้าห้องแอร์นี่ยมันเย็นสบายเออันนี้ก็สุขเวทนาถ้าถ้าไม่ได้เข้าห้องแอร์เพียงแต่อยู่ห้องประพัดลมอันนี้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วแต่มันก็ไม่เย็นเออันนี้ก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอได้เข้าห้องแอร์มันเย็นอที่นี้มันสุขเลยทั้งชอบติดแอร์กันนะ ถ้าซื้อพัดลมกับซื้อแอร์นี่จะเอาอันไหนซื้อเครื่องแอร์ดีกว่าใช่ไหมเพราะมันสุขนะถ้าพัดลมมันก็เพียงแต่จะบรรเทาความทุกข์ให้มันเบาลงทําให้มันรู้สึกไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่สุขแต่พอติดเครื่องแอร์แล้วนี่แหมมันเย็นสบายมันสุขขึ้นมาทันทีนี่คือเวทนาสามอย่างที่ร่างกายจะต้องมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้ บางทีเราก็สามารถควบคุมมันได้เปลี่ยนมันได้มันร้อนก็เปิดแอร์อมันทุกข์ก็เปิดแอร์มันเป็นทุกขเวทนาก็เปิดแอร์จากทุกขเวทนาก็กลายเป็นสุขขเวทนาเดี๋ยวถ้าเกิดไฟดับจะทำไงมีแอก็เปิดไม่ได้ทีนี้ก็ต้องร้อนต่อไปร้อนต่อไปก็ทำให้มันคลายร้อนได้ด้วยการอ า, อาบน้า เอาพัดมาพัดก็จากทุกข์ก็จะมาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาไปนี่คือช่วงที่เราสามารถที่จะปรับเวทนาตามความต้องการของเราได้แต่มันมีเวทนาบางเวทนาที่เราปรับไม่ได้เลยทำยังไงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นไข้ปวดไปทั่วตัวนี่ไปเอาเลยปรับเรามียาแก้ปวด ยาแก้ปวดก็ปรับได้ในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปติดยาแก้ปวดอีกเวลาไม่มียาแก้ปวดก็ทุกข์อีกอันนี้ไม่ใช่วิธีปรับวิธีที่เราจะาปล่อยวางเวทน า, าวิธีปล่อยวางเวทนาก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้อาศัยใช้สมาธิทาใจให้สงบแล้วก็รับรู้ความจริงของเวทนา ตอนนี้ร้อนก็อยู่กับความร้อนไปตอนนี้มันหิวก็อยู่กับความหิวไปตอนนี้มันเจ็บก็อยู่กับความเจ็บไปอันนี้ถ้าเรามีสมาธิเรามีโอเบขาเราก็ไม่ต้องปรับมันอยู่กับมันได้เราปรับใจแทนจะปรับใจมันง่ายกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับหาเครื่องไม้เครื่องมือมาปรับเวทนา แล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาถ้าใช้แอร์เดี๋ยวเกิดไม่มีไฟฟ้าก็ปรับไม่ได้หรือแอร์เสียก็ปรับไม่ได้ถ้าใช้ยาแก้ปวดกินเดี๋ยวยาแก้ปวดหมดก็ก็ปรับไม่ได้ น, นี่คือเรื่องของการพิจารณาเวทนาให้เราพิจารณาวเวทนานี่มีสาม มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนิจจ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งไม่ให้มันทุกข์ไม่ได้ถึงเวลามันจะสุขมันก็สุขเวลาจะทุกข์มันก็ทุกข์เวลาที่มันจะไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากไปปรับมันเราจะทุกข์ที่ใจ เหมือนกับที่เราอยากให้ร่างกายไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับอยากให้ไม่ให้มีทุกขเวทนาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาก็ทุกขึ้นมาที่ใจอีกชั้นหนึ่งเพราะอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแต่มันไม่หายวิธีที่จะแก้ก็คือต้องสอนใจให้รู้ว่าเวทนามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับเหมือนกับร่างกาย เวลาร่างกายจะตายเราก็ยอมตายเวลาร่างกายจะเจ็บเราก็ต้องยอมเจ็บปล่อยมันเจ็บไปถ้าปล่อยมันเจ็บแล้วเรามีโอเบคาสักแต่ว่ารู้เราก็จะไม่เจ็บไปกับร่างกายอันนี้เป็นการพิจารณาเวทนาเพื่อปล่อยวางเวทนาให้เห็นว่าเวทนานี้มันไม่เทีย่ยมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเหมือนกั น, น, นเวทนาไม่ใช่เรา เวทนามันเป็นของร่างกายมันไม่ได้เป็นเรามไม่ได้เป็นของเราเราเป็นผู้รู้ผู้มารับรู้เวทนาก็ให้รู้เฉยๆสักแตะวะ่วารู้อย่าไปมีอารมณ์กับมันถ้ามันมีอารมณ์ก็ใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธให้มันให้มันนิ่งเป็นอุเบกขาไปพอมันเป็นอุเบกขามันก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับ ทุกเวทนาเวทนาของร่างกายให้ทำอย่างนี้กับต่อการต่อการพิจารณาต่อการปฏิบัติกับเวทนาทางร่างกายคือปล่อยมันให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเหมือนกับที่เราปล่อยร่างกายให้มันแก่ให้มันตายไปตามเรื่องตามมาระของมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้ น, นี่ก็คือเรื่องของการ ทำปริญญาข้อระดับที่หนึ่งก็มีสองข้อนี่คือความตายกับความเจ็บเนี่ยถ้าได้ก็จะได้รับปริญญาโสดาบันไปพระโสดาบันละขันห้าได้เวทนาก็เป็นขันหนึ่งในขันห้าร่างกายก็เป็นหนึ่งในขันห้าสัญญาสังขารวิญญาณมันมากับเวทนา ละเวทนาก็เท่ากับได้ละเวทนาสัญญาละสัญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมๆกันเอเพราะสัญญาเราก็จะเปลี่ยนจากนิจจังสุขขังอัตตามาเป็นอนิจังทุก ข, ขังอนัตตาสังขารเราก็จะหยุดมันวงแต่งไปในทางภาวะตันหาวิภาวะตันหานั่นเองเอส่วนวิญญาณก็เพียงแต่ทําหน้าที่รับรู้ไปเฉย รับรู้เวทนาไปเฉยๆนี่คือการละขันห้าพอละได้ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้ที่เป็นโสดาบันเพราะว่ารู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราถ้าไปอยากให้เป็นเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์ก็จะเห็นอริยสัจสี่พร้อมๆกันเห็นว่าทุกข์ของใจเกิดจากความอยากให้ขันห้าเป็นเรา เป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาเป็นกามะตัณหาเนี่ยตัวที่ทำให้ใจทุกข์กับร่างกายกับเวทนาพอมีปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไตรลักมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นมักเป็นมัก ค, คือปัญญาแล้วก็มีอุเบกขาเป็นสมาธิก็จะสามารถที่จะปล่อยวาง ตัณหาความอยากในขันห้าได้ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้นี่ได้รับปริญญาขั้นที่หนึ่งแล้วา ก, การพิจารณานี้มันไม่ใช่พิจารณาหนเดียวพิจารณาแล้วถ้าเมื่อยก็ต้องหยุดแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิพักผ่อนใจออกจากสมาธิก็มาพิจารณาใหม่จนกว่ามีความมั่นใจว่า อันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ไปพิสูจน์ดูเอาร่างกายไปอยู่ที่มันน่ากลัวเสี่ยงความเป็นความตายดูดูว่ามันยังจะกลัวตายอยู่หรือเปล่ายังอยากจะอยู่หรือเปล่าส่วนเวทนาความเจ็บก็ลองนั่งไปนานๆเจ็บแล้วก็อย่าไปลุกอดูว่าจะอยู่กับความเจ็บได้หรือเปล่าปล่อยให้ความเจ็บมันหายไปเองได้หรือเปล่าเรามีหน้าที่สอนใจให้อยู่เฉย ถ้าอยากไปมีความอยากให้เวทนามันหายไปอยาไปมีภาวะตัณหาอย่าไปมีวิภาวะตัณหาเท่านั้นเองใจเราก็จะใจเราก็จะปล่อยวางเวทนาได้ต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปเพราะรู้จักวิธีปฏิบัติมะนรู้จักแยกแยะรู้จักปล่อยให้มันอยู่กับร่างกายไม่เอามาไม่เอาเข้ามาที่ใจด้วยความอยากให้มันหาย ดูอย่างให้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปอันนี้ก็จะทําให้เราผ่านเป็นัญญาขั้นที่หนึ่งได้ต้องเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากด้วยนะไ ม, ไม่ใช่เห็นแต่ตายลักตายลักก็มีทุกข์แต่ทุกข์มันมีสมุทยัยมีนิโรธมีมากตามมาด้วยต้องเห็นทั้งหมดเห็นทั้ง หกอย่างเนี่ยเห็นอนิจจังเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเห็นมีดวงตาเห็นธรรมอย่างครบบริบูรณ์เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดกับร่างกายเพราะไปยึดไปติดร่างกายไปอยากให้ร่างกายเป็นของเราความทุกข์ที่กเกิดจากเวทนาก็เพราะไปอยากให้เวทนาเป็นของเรา ให้เราสั่งมันได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอสั่งไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาพอรู้ว่าทุกข์ก็อย่าไปสั่งมั น, ป ล, ม น, น, นปล่อยมันเท่านั้นเองปล่อยมันเจ็บไปมันอยากจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะอยู่จะตายก็ใจก็เฉยเหมือนกันเวทนาจะเจ็บไม่เจ็บใจก็จะเฉยเหมือนกัน นี่ก็จะได้ปริญญาตีในโสดาบันนี้ระดับปริญญาโทนี่ท่านแบ่งเป็นสองสองขั้นขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองคือขั้นที่สามกับขั้นที่สามคือสกิรดาคามีกับอนาคามีการที่จะบรรลุปัญญาโทได้นี้ต้องปล่อยวางความความกามาราคะ ความอยากจะเสพกามกับผู้นั้นผู้นี้การอยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นคนนี้แล้วสวยงามหล่อเหลาอยากจะได้ร่วมหลับนอนกับเขาเพราะนอนคนเดียวแล้วมันเหงามันว่าเวไม่เหมือนกับนอนกันสองคนนอนสองคนแล้วมันมีความสุขอันนี้ถ้าอยากจะหยุดความอยากนี้ก็ต้องพิจารณาอสุภะ พิจนาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามไปตลอดร่างกายนี้เดี๋ยวมันตายนี้มันจะขึ้นอืดมันจะพองมันจะบวมจะช้ำมีสีดำสีเขียวพวกช้ำดำเขียวให้ดู ส, าส้างศพดูอาการสามสิบสองดูตับไตไส้พุงดูปอดดูหัวใจดูตับดูโครงกระดูก ถ้าพิจารณาเห็นร่างกายในสภาพอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้กามอารมณ์นี้หายไปได้ถ้าทำให้มันหายไปห0เอร์เซนคือเบาบางลงก็บรรลุขั้นที่ันสองคือสกิดาคามีแต่ยังกำจัดมันไม่ได้หมดยังมีความอยากในก า, กามอารมณ์อยู่แต่น้อยลงเมื่อก่อ น, นี้ร้อยเปซ็นเดี๋ยวนี้พอ นึกถึงอสุภะที่ลายก็ไม่เอาดีกว่าแต่เวลาไหนเผลอนึกไม่นึกไม่ออกออก็ยังอยากอยู่ก็ต้องพยายามนึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆจนไม่ลืมทุกครั้งมองเห็นร่างกายก็ต้องเห็นอสุภะทันทีถึง จ, จะสามารถหยุดการมลลมให้มันหายไปหมดไปได้ อันนี้ก็จะบรรลุขั้นที่สามคืออนาคาเมออนาคามีนี้จะตัดการอารมณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นสกิดาคามีตัดการอารมณ์ได้ครึ่งหนึ่งเบาบางลงทำให้เบาบางลงอันนี้ก็จะผ่านเรื่องของร่างกายก็ไปได้หมดเนี่ยร่างกายมีสองภาคภาคแรกก็คือความไม่เที่ยงกิดแก่เจ็บตาย ภาคที่สองก็คืออสุภะไม่สวยไม่งามภาคที่หนึ่งนอกจากไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นดินน้มลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราส่วนภาคที่สองก็ต้องดูร่างร่างกายนี้ไม่สวยงามเป็นอสุภะสุภะแปลว่าสวยงามอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งาม น, นี่เรายัางอยู่ขั้นกายอยู่เลยขั้นวิปัสนายัางพิจารณาร่างกายอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเป้าหมายจากการพิ จ, า, นนจ า, ารณาอนิจจังก์กานตตามาเป็นอสุภะแทนพิจารณาความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกายทำไมเรากลัวผีกันเวลานอนกับผีไม่กลัวเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นผีพอไม่มีลมหายใจแล้วทีนี้จะเอามานอนหมตาแฟนคืนนี้ ไม่หายใจนี่ยังจะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าพอายังไม่เป็นผีก็อยู่ได้พอไม่หายใจปั๊บนี่ไม่เอาละเนี่ยเราไม่มองมองไม่เห็นว่าคนที่มีลมหายใจนี่ก็ผีดิบดีๆนี่ผีเดินได้ผีที่จะต้องเป็นผีผีจริงต่อไปอแต่อยู่ได้ถ้ามันยังหายใจอยู่พอมไม่หายใจกลับไปกลัวมันไอ้ที่น่ากลัวคือตอนที่มันหายใจนี่แหละ พอเวลามันหายใจได้มันทุบตีเราได้มันฆ่าเราได้กับไม่กลัวมันแต่พอที่มันทำอะไรเราไม่ได้กับไปกลัวมันเ <c oughs> นี่ยคนเราโง่แล้วม่รู้โง่รือฉลาดมีสติปัญญาหรือเปล่าเนี่ยคนที่เราที่เราตายกันตายเพราะคนตายหรือตายเพราะคนเป็นกันเนี่ยที่ถูกฆ่ากันเนี่ยถูกใครฆ่าถูกผีฆ่าหรือถูกคนเป็นฆ่ากั น, นกับไม่กลัวคนเป็นกับนอนกับคนเป็นได้อย่างสบาย แต่พอคนเป็นตายไปกับกลัวเหมือนกลัวไก็กลัวอะไรกลัวความน่าเกลียดมากกว่าเนี่ยกลัวความเหม็นมากกว่าเนี่ยให้คิดถึงความเหม็นความน่าเกลียดของซากศพของร่างกายมันจะได้ตัดการอารมณ์ได้เอออันนี้ถ้าทําได้พอตัดการอารมณ์ได้เรื่องปัญหาของร่างกายก็หมดตายไปก็ไม่กลับมามีร่างกายอีกแล้วเอ พอไม่รู้จะร่างกายไปทำอะไรนี่เรามาเกิดมามีร่างกายเพราะเราจะเอาร่างกายไปเสพกามกันเนี่ยไปเสพตาเสพรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั่นคนนี้กันต้องมีร่างกายแต่พอไม่มีความอยากจะเสพกามแล้วก็ไม่รู้จะมีร่างกายไปทำไมออพระ อ, อนาคามีก็ตัดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่กลับมาเกิดพระสกิรานาคามียังมีอยู่เลยต้องกลับมาอีกหนึ่งครั้ง ส่วนพระสดาบันนี่ยังมีเต็มร้อยยังมีการอารมณ์เต็มร้อยยังต้องกลับมาอีกเจ็ดชาติเอถึงจะหมดถ้าไม่หมดในชาตินี้ก็ต้องกลับมาอีกเจ็ดชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปที่ก็จะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมก็คือระดับจิตจิตที่ไม่มีการอารมณ์ก็จะเป็นฌานขึ้นมา จะสงบโดยธรรมชาติตัวที่ทำให้จิตไม่สงบตัวที่จิตทำให้จิตอยาบตัวที่ทำให้จิตต้องมาเกิดในกามมาพบมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ก็คือตัวกามอารมณ์นี่เองพอตัดตัวกามอารมณ์ได้ก็เหมือนตอนนั่งสมาธินั่งสมาธิก็หยุดกามาตัตหาได้จิตก็ละเอียดเข้าไปสงบเข้าไปเป็นระดับฌานขึ้นมาพระโสดาพระอนาคามีจิตก็จะไปติดอยู่ที่ระดับฌาน ก็ต้องมาพิจารณาจิตต่อไปอันนี้คือขั้นที่กายเวทนาแล้วทีนี้ก็มาเจริญวิปัสสนาที่จิตมาศึกษาดูว่าจิตคืออะไรจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ดูก็พิจารณาจิตยังมีสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ในจิตตัวจิตเองมันไม่ตายแต่ตัวที่อยู่ในจิตมันมีเกิดเกิดดับดับคืออารมณ์ต่า ง, างๆเช่นความสงบไม่สงบ ความฟุง้งซ่านความไม่ฟุง้งซ่านความหงุดหงิดลำคาญใจความอะไรต่างๆนี้ยังมีอยู่ในใจอยู่ก็ต้องไปพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ดูว่าจิตไปว่าเราไปยึดติดกับมันหรือเปล่าไปอยากกับมันหรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็ยังยังมีทุกข์อยู่ยังมีอริยสัจสี่อยู่ยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่กามาตัณหาไม่มีลว ภาวะการว่าตัณหามันอยู่ที่ร่างกายร่างกายหมดไปแล้วแต่มันยังมีภาวะอยู่ยังภาวะของจิตอยู่ยังอยากจิตยังอยากให้จิตสงบอยากให้จิตผ่องใสอยากให้จิตสว่างพอเวลาจิตเศร้าหมองเวลาจิตทึมเศร้าก็เกิดความอยากตัณหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์ที่อยู่ในจิตมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเกิดดับเกิดดับเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเวทนาพิจารณาจนเข้าใจแล้วก็ปล่อยมันแบบปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาพอปล่อยแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับการเกิดการดับของอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตจิตก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นนิพพานไป นี่ก็คือจิตของพระอรหันต์ของพระอรหันต์พระอนาคามีต้องพิจารณาจิตพระสกิดาคามีพระโสดาพระสกิดาคามีอนาคามีต้องพิจารณาสุภาษณพระโสดาบันนี้จะต้องพิจารณาอนิจจังพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายพิจารณาความไม่มีตัวตนของร่างกายถึงจะเป็นโสดาบันได้ จะเป็นสกิดาคามีอนาคามีจะต้องพิจารณาอสุภะเพื่อตัดกามอารมณ์จะเป็นพระอารหันต์จะต้องพิจารณาจิตว่าไม่เที่ยงอารมณ์ในจิตไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตมันไม่ตายตัวจิตมันไม่มีวันตายแต่มันมีอารมณ์ที่เกิดจากอวิชชาโมหะไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเองเรียกว่า เป็นอารมณ์ที่จิตจะต้องเข้าใจแล้วปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วต่อไปมันก็จะไม่ปุ่งแต่งมันก็จะสงบตลอดเวลานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่จะเลือกปฏิบัติแบบอาหารตามสัง่งวันนี้อยากจะปฏิบัติพิจารณาเวทนาพรุ่งนี้อยากจะพิจารณาจิตวันนี้อยากจะพิจารณาร่างกายก็เลือกทํา ทำานี้เรียกว่าทำแบบจับัยทำแบบไม่รู้เรื่องทำแบบไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนกัรนักศึกษาวันนี้ขอไปเรียนปริญญาเอกเข้าห้องปริญญาเอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี้เกียจมันยากไปมาเข้าห้องปริญญาตีดีกว่าเดี๋ยวอีกวันอยากจะไปเรียนปริญญาโทเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้มันไม่มีวันจบแล้วมันต้องเรียนตามขั้นตอนที่เขากําหนดตารางให้เรียนเพราะพุทธเจ้าก็กําหนดตารางให้เราปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่พวกเราไม่ยอมปฏิบัติตามตารางกันชอบกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวก็สติบ้างเดี๋ยวก็ปัญญาบ้างเดี๋ยวก็นั่งสมาธิบ้างเดี๋ยวก็พิจารณาบ้างวุ่นไปหมดไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีส่งคำถามเข้ามาเต็มไมหมดวันนี้ว่าคิดว่าคงจะเข้าใจกันดีขึ้นนในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี มันเป็นการปฏิบัติแนวของสติสมาธิและปัญญาเป็นขั้นๆไปขั้นโสดาขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอาราหาันเออระหว่างการเจริญสติระหว่างเจริญปัญญานี่จะต้องกลับมาสมาธิทิ้งสมาธิไม่ได้เพราะปัญญาเมื่อทำงานสักพักมันก็จะฟุ้งก็ต้องหยุดกลับมาทันใจให้สงบ พิจนามากมากมันจะทื่อแล้วมันจะไม่ได้เหตุไม่ผลจะไม่ได้มองเห็นชัดเจนก็ต้องหยุดมันกลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอหาออกจากความสงบก็ไปพิจารณาใหม่ดูให้มันเห็นว่ามันเป็นอาการสามสิบสองมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ปล่อยวางมันเวลาจะได้ไม่เกิดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอแต่จะเรียกว่าปล่อยวาง ถ้ายังมีความอยากให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางเอาแล้วนะก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาฤวาาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติ อิจฉ um ิต่างปฏติธตามตุมหังคิดป้าเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาหระโสยทามณิโชติ อาระโสยทาสัพพิต so ิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตอันตรายยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาทนสีลิศะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวัานติอายุวันโอสุขัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางฟสามร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะทางยู u ูบหนึ่งร้อยเก้าสิบมิธิยูออนไลน์สาสิบเจ็ดรับฟังบนเขาสิบสามรวมทั้งสิ้นหกรอยสิบเก้าท่านค่ะอยากสะถามอะไรถามได้กราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะ คืออยากจะขอเรียนกลับกลับเรียนถามเกี่ยวกับการที่เราเในครอบครัวถ้าเกิดว่ามีพี่น้องที่เขามีความศรัทธาในพระซึ่งอาจจะมีวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนเราคือเราอาจจะมาทางสายทางพระกรรมฐานนะคะทีนี้ในเมื่อเราคิดต่างเขาทำให้เรามีปัญหาที่ที่แตกต่างเขาพอสมเป็นเราไม่ให้ความร่วมมือะคะ่ะ ที่นี่อยากจะวางใจยังไงให้ดีคะก็เขาขับรถเบนซ์เราขับรถบีเอมก็เรื่องของใครของมันไปก็แล้วกันเขาชอบยี่ห้อไหนก็ปล่อยเขาซื้อยี่ห้อ น, นั้นไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาเลยคือหมายถึงเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาเองก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่มาปรึกษาเราเราก็ไม่ต้องไปพูดกับเขาคือถ้าเกิดว่าเขาจะชวนไปร่วมบุญในงานเราไม่ไปเอราก็ไม่ไปเราบอกว่าเราชอบบีเอ็มเราไม่ช่อบนั่งรถเบนซ์ แต่ม <Okay. S 2> ันเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเราชอบกินข้าวผัดเราก็ไม่ได้ไปกินด้วยกันในชะ่ไหมเขาชวนเราไปกินข้าวผัดเราเราชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเราก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวก็ <Okay. S 2> วต่างคนต่างอยู่ไปนี่เห็นไหมน่าจะมีปัญหาตรงไหนเราชอบไปจับให้เขามาทําตามเหมือนเราเขาก็อยากจะจับเราไปทําตามเหมือนเขามันก็เลยวุ่นกันนะ่นก็ต่างคนต่างอยู่ไปเรื่องของความพอใจของแต่ละคน เอเขาชอบอย่างไรก็ให้เขาทำไปเราชอบอย่างไรเราก็ทำของเราไปก็เท่านั้นเองถ้าเหมือนกันก็ไปด้วยกันได้ถ้าไม่เหมือนกันก็ไปด้วยกันไม่ได้คือเราคิดอย่างนี้แต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราเนี่ยก็ท่านเขาปล่อยเขาไปออเรื่องของเขาเขาจะโกรธเราก็เรื่องของเขาเราไม่โกรธเขาก็แล้วกันออันนี้การปล่อยวางอารมณ์ทางจิตด้วยหรือเปล่าคะตอนนั้นแหละปล่อยวางเท่านั้นแหะมาการพอประคุณค่ะเออ ไม่ทางจิตปล่อยวางคนปล่อยวางคนที่ไปยุ่งกับเราค่ะอืออย่าไปยุ่งกับเขาเออปล่อยเขาค่ะเขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาข่าอถามอะไรกรับนวัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเอ่ออาาัตตาหิอัตโนโนาโถเ อ, อตอนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็เราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราจะเติมตรงไหน เช่นว่ า, าหรือเจ้าของจะรู้ด้วยเจ้าของเองว่าเจ้าของเนี่ยผ่านสเต็ปไหนเราต้องเติมแล้ววันนี้เราจะต้องทำอะไรต่อหรือเราจะต้องเป็นการส่งอารมณ์กับพระพระอาจารย์ที่สามารถให้คำแนะนำว่าเราจะต้องผ่านไปในแต่ละด่านยังไงะก็พระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ดีที่สุดก็อ่านหนังสือที่พระเจ้า สอนเนี่ยอย่างสติปัญญาเนี่ก็จะบอกเราว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วเราต้องไปทําขั้นไหนต่อแต่ถ้ามีอาจารย์ที่สอนตรงกับพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ถ้าไปเจออาจารย์ที่สอนไม่ตรงก็อาจจะหลงก็ได้สมัยนี้มีอาจารย์หลายแบบแบบรู้ก็มีแบบหลงก็มีเดีย๋ยวไปเจออาจารย์แบบหลงเข้าก็จะต้องหลงตามเข้าไป <Okay. S 2> ยัน อ, อาจารย์ที่รู้ก่อนคือพระพุทธเจ้าเดค่ะขยายนานคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างมีไม่กี่บทนะที่เราควรจะอ่านกันอ่านไว้เป็นหลักยึดแล้วเวลาใครสอนที่มันขัดกับหลักนี่เราจะได้รู้ว่าเขาสอนไม่ตรงกัน <Okay. S 2> คือเรายังเป็นที่พึ่งของเราเองไม่ได้เราเลยต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพิธที่พึ่งก่อนแต่เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราได้เป็นที่พึ่งของเราต่อไป ก็ต้องอาศัยคนที่เขาเรียนจบแล้วอย่างเราจะเรียนจบปริญญาตรีล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่จบปริญญาตรีมาสอน<ร>ถ้าไม่มีมันก็เดี๋ยวก็เรียนมั่วกันไปหมดอันนี้ก็มันพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนมหาลัยนะพวกเรามักจะไม่ไปหาครูหาอาจารย์กันหรือไปหาครูหาอาจารย์ก็บางทีจบป .4 มาสอนก็ไม่รู้ว่า เ, เขารู้จริงหรือไม่รู้จริงค่ะ ก็เลยกลายเป็นถูกเขาหลอกไปโดยไม่รู้สึกตัวเราการละกิเลสของเราในแต่ละขั้นปริญญาตรีปริญญาโทตรงนี้เราต้องนำกรับเรียนเพื่อที่จะเหมือนคลายว่าส่งอารมณ์แล้วก็ไม่ต้องหกเรารู้ของเราเองตอนนี้เราติดกระเป๋าอยู่หรือเปล่าถ้าติดก็เลือกซื้อกระเป๋าดูเลยติดสร้อยเพชรติดอะไรหรือเปล่า ข <Okay. S 2> ัดมันไปเนี่ยของเนี่ยเรารู้กับใจขอ เ, <ร>เราเอง ไ, ไม่ต้องไปสอบอารมณ์กับใครน <Okay. S 2> อกจากเราสงสัยเราไม่เข้าใจว่าต้องตัดอะไรก็ไปถามครูถามอาจารย์ได้นั่นก็จะบอกว่าเราต้องตัดอะไรขั้นตอนก็ต้องตัดของฟุ่มเฟือยต่างๆไปก่อนให้อยู่แบบสมถะเรียบง่าย <Okay. S 2> เอาแค่ปัจจัยสี่ <Okay. S 2> อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่ม ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายก็ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยการใช้ฟุ่มเฟือยเป็นกิเลสถ้าอยากจะตัดกิเลสก็ต้องอยู่แบบคนคนยากคนจนแต่รวยงเงินเยอะแต่อยู่แบบคนจ น, น, นอยู่แบบไม่มีกิเลสเจ้ค่ะข้ากับขอขอบคุณค่ะลองใส่ชุดซ้ำๆไปอาทิตย์หนึ่งใส่เหมือนทุกวันเหมือนกัน มันก็เป็นเสื้อผ้าเท่านั้นเองใครจะพูดอะไรก็ปากของเขาปากปางนกปากกาก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็มีเสื้อผ้าใส่ของเราทำไมสมัยเป็นนักเรียนเรียนใส่ชุดซ้ำๆกันได้ทุกวันไม่เห็นมเห็นบนพอมาทำงานนี้เวลาไปทางานต้องเปลี่ยนชุดกันแต่ละวันแต่ละชุดเพราะเรากิเลสของเรานะั่นะอยาให้เขาชมว่าเราสวย พูดใกล้ๆธรรมะเป็นยีน่มาฟังธรรมะพระอาจารย์เป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ดีใจที่พระอาจารย์พูดถึงไปจนถึงกิเลส ต, ตัวสุดท้ายว่ามันคือของเรื่องของจิตนะคะเพราะว่าไมยแม็ปแล้วการที่จะเดินไปถึงจนจนไมละกิเลสได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากตรงนี้ไปถึงตรงไหนเจ้าค่ะแล้วก็คือณนะวันนี้ ตัวเองอยู่ตรงไหนก็เจ้าของจะรู้ด้วยเจ้าของเองแล้วก็จะต้องไปเติมเต็มในส่วนไหนวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้มาแล้วก็ได้มาฟังจนถึงขั้นสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เร็ววันไม่ได้ชัดนี้ชัดน้าแต่ว่ามันก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราควรละหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้องนำกลับไปเนี่ยมันจานี้ก็ ไ, <ป S 2> ได้ไไดอย่าไป อย่าไปประมาทตัวเองเห็นประเด็ยนยาเอกมันก็เรียนได้กันทุกคนนะอยู่ที่อยากจะเรียนหรือไม่อยากมากกว่าวอขอบคุณเจ้าค่ะ อ, อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะมีใครอยากจะถามไหมไม่มีเอาทางบ้านทางบ้านมีไหมทางบ้านมีค่ะ วันนี้มีหลายท่านกราบขอบพระคุณในธรรมะวันนี้ของพระอาจารย์ค่ะวันนี้ที่ได้พูดเพราะไม่มีคนถ้ามีคนเยอะๆเขาพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องพูดทรระดับเขาเส่วนใหญ่คนที่มาทำบุญก็ต้องพูดเรื่องทานเรื่องศีลวันนี้โชคดีไม่มีใครเลยมีแต่พวกปฏิบัติทั้งนั้นก็เลยพูดเรื่องปฏิบัติได้เต็มเต็มที่คำถามจากทางยูนะคะจากคุณธีรชาติค่ะ กาบนักศการเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระที่เรียนจบปริญญาธรรมสูงสูงและบรรลุธรรมด้วยมีน้อยแต่พระที่ไม่ได้เรียนปริญญาธรรมเลยแต่บรรลุธรรมกลับมีจํานวนมากกว่าจึงสงสัยว่าการเรียนปริญญาธรรมมีประโยชน์ในด้านไหนครับในการรักษาภาษาบาลีไงปริญญธรรมนี่เรียนภาษาบาลีเหมือนเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนภาษาอังกฤษที่ใกล้เรียนกันเพราะว่า เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ในเป็นภาษาบาลีเขากเดี๋ยวถ้าไม่มีคนอ่านบาลีเป็นต่อไปจะอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยต้องมีการเรียนภาษาบาลีหลักสูตรนักธรรมจริงๆมีแค่ตีโทเอกนั่นเองเรียนกันหกเดือนก็จบสามแต่เขาแบ่งเป็นสามปีเพราะเขาเรียนแค่ปีละสามเดือนปีละสองเดือน ถ้าจะเรียนจริงๆนักทำตีโทเอกเนี่ยเรียนกัน6เดือนก็จบแต่เขาแบ่งให้เรียนเป็นสามปีแล้วให้จากนักทำตีโทเอกแล้วก็ให้ไปเรียนบาลีปรเลียนหนึ่งปรเลียนสองถึงปรเลียนเอันนี้เรียนบาลีเรียนภาษาเพราะพระไตรปิฎกนี้มีบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีแล้วแปลมามาแปลเป็นภาษาไทยแตทางศาสนาเราก็อยากจะคงบพระ งบาลีต้นฉบับไว้ก็เลยต้องมีการเรียนภาษาบาลีแล้วจะได้มาแปลกันใหม่ถ้าเกิดชุดถ้าแปลถ้าคาแปลหายไปก็ยังมีคนอ่านของเดิมได้อยู่เท่านั้นแหละแต่ไม่มีประโยชน์ต่อการทำให้เรารู้ธรรมะมากขึ้นการรู้ธรรมะนี่รู้แค่สองสามพ ร, รก็พอเนี่ยธรร ม, มาจากสติปัฏฐานมงคลสูตรเนี่ยสามสูตรนี้ก็เหลือกินแล้ว คําถามจากคุณสุนันทาค่ะเรียนถามค่ะความคิดกังวลเกิดหดหูคิดเรื่องไม่มีงานตกงานความรู้สึกนี้อยู่ในกองเวทนาหรือกองสังขารเจ้าค ะ, ะร่างกายเจ็บหรือเปล่าล่ะร่างกายไม่เจ็บก็ไม่ใช่เวทนามันแสดงว่าอยู่ในกองจิตจิตมันทุกข์มันทุกข์กับความไม่แน่นอน ความอยากให้ได้มันแน่นอนความอยากได้สิ่งที่ไม่ไม่ได้ดังใจอยากก็ทําให้ทุกข์เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ในในอริยสัจสี่เกิดจากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้อย่างนั้นอยากได้งานอยากให้ได้งานที่ดีงานที่มั่นคงถ้าได้งานที่ไม่งานมั่นคงงานไม่ดีก็ทุกข์หรือตกงานก็ทุกข์เนี่ยอันนี้แต่ไม่ได้ทุกข์ทางเวทนาทางร่างกาย ร่างกายยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้อันนี้ทุกทางใจล้วนๆเดี๋ยวทุกในจิตก็ได้เพราะอารมณ์จิตหดหู่จิตหดหู่อยากจะให้จิตผ่องใสก็ทุกแล้วใช่ไหมคำถามจากคุณสุวิทย์ค่ะสวดมนต์เช้าเย็นทุกวัน และก็อุทิศบุญกุศลให้ทั้งพรมเทวดาคนเป็นคนตายสัตว์ทั้งหลายผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา <c oughs> ถามว่าต้องทำการไหว้ตามเทศกาลตรุษ จ, จีนและศาสตร์จีนอีกหรือเปล่าครับมันคนละเรื่องกันนันนันเป็นเรื่องของอกอกศาสนาหนึ่งอีกความเชื่ออย่างหนึ่งไหว้ไหว้เจ้าไหว้ผีไหวพ้พ่อไหว้แม่ไหว้อะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวจีนครับ ทางพุทธเหล่านี้ท่านสอนให้ไหว้ผ้าสวดมนต์เพื่อให้เกิดสติท่านไม่ได้สอนให้เราอุทิศบุญจากการไหว้ผ้าสวดมนต์เราทะลึ่งไปอุทิศกันเองเข้าใจไหมอยากจะอุทิศบุญให้ไปทําบุญทําทานใส่บาตถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญไปแต่า ก, การไหว้ผ้าสวดมนต์การนั่งสมาธินี้ทําเพื่อตัวเราทําให้เรามีสติมีสมาธินั่นเปนคนละเรื่องกัน คำถามจะคุณป๋อมแปมวิไลรักค่ะกาบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันไม่กลัวความตายคือถ้าตายไปก็ไม่รู้สึกเสียดายร่างกายแต่อย่างใดแต่กลับกลัวความเจ็บป่วยก่อนตายกลัวความทรมานอย่างนี้ก็คือยังยึดติดร่างกายอยู่ดีใช่หรือไม่เจ้าค่ะก็ยังปล่อยเวทนาไม่ได้ยังกลัวความเจ็บยื่ ก็ลองนั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วหัดฝึกอยู่กับความเจ็บไปใช้อุเบกขาสู้กับมันไปถ้ามีอุเบกขาก็จะไม่กลัวความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความเจ็บคำถามจากคุณริกกี้ดีค่ะได้ฟังเทศพระอาจารย์เมื่อครู่ความหมายของทุกข์ในแง่การปฏิบัตินั้นตัวทุกข์ในอริยสัจสี่ จะมีความหมายเดียวกันกันกบทุกในหมวดของอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมครับก็เชื่ อ, อมกันไงก็ทุกเนี่ยทุกในอนิจจังทุกขัง อ, อนัตตาก็ทุกในอริยสัจ ส, สีมันทริงมันต้องจากตายรักมันควรจะเป็นอนิจจังทุกขงังตันหาต้นเหตุของความทุกนิโรธการดับทุกมากขึ้น วิธีดับทุกเนี่ยมันอยู่ในคําว่าทุก์ในตายรักนี่แหละเพียงแต่เราไม่ได้ขยายความไปเองที่เราทุกกับสิ่งที่เป็นตายรักเพราะอะไรทุกเพราะอยากให้มันเที่ยงใช่ไหอพอไม่เที่ยงเราก็ทุกทุกอยากฮะอยากให้มันเป็นของเราตลอดไปใช่ไอมพอมันกลายเป็นของคนอื่นเราก็ทุกเช่นแฟนเราพอเป็นของเราเราก็สุขพอไปเป็นของคนอื่นปั๊บเราก็ทุกขึ้นมาทันทีออ เพราะเราไม่เห็นว่าแฟนเรา lavender, ม, tro, weakest, ม, มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่แน่นอนมันไม่มันไม่จะเป็นของเราไปตลอดหรือไม่อาจจะไปเป็นของคนอื่นไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามองเห็นแล้วเราไม่ไม่ไปหวังจากเขาเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ไปอยากให้เขาเป็นของเราไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอเขาไปเราก็ไม่ทุกข์พอเขาไปเป็นของคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์ คำถามจากคุณ KR 10011 1ค่ะดิฉันศึกษาและปฏิบัติธรรมและไม่อยากทำการไหว้เจ้าตามเทศกาลเช่นศาสตร์จีนไหวพระจันทร์จะอธิบายอย่างไรต่อญาติผู้ใหญ่อย่างไรดีคะไม่ได้ปฏิเสธประเพณีค่ะแต่ไม่มีใจอยากทำตามเลยอ๋อก็ไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องแปลอธิบายก็ทำไปตามประเพณีําทำไปเพื่อให้คนอื่นเขาสบายใจ S <S <an> เรารู้ว่ามันเป็นเหมือนกับเล่นกับเด็กก็แล้วกันเด็กมันอยากจะเล่นขายของแล้วก็เล่นขายของกับเด็กไปให้เด็กมันดีใจเมื่อเราต้องอยู่กับเขาแล้วก็ควรจะทำอะไรแต่เราไม่ได้ไปยินดียินล่กับการกระทำนั้นๆถ้าเราไม่อยากทำนี่เราเป็นกิเลสแล้วเป็นวิภาวะตัณหาแล้ว<ม> <S <S <an> <S ความอยากไม่ทาในสิ่งที่เราควรจะทำนั้น นี่ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะทำแล้วพยายามหาวิธีจะอธิบายให้เขาฟังอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือตัดความอยากไม่ทำเสียทำไปกับเขาทำแต่เราไม่มีกระจิตกระจายไม่ได้ไปรู้สึกว่าได้อะไรจากการกระทำนอกจากได้ความสงบจากการอยู่ร่วมกันจะได้ไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ทำทำไมอย่างงุ้นอย่างนี้จบทำอย่างนี้ดีกว่า คำถามจะคุณมนธรรมค่ะปัจจุบันขณะมีจริงอยู่ไหมครับในเมื่อทุกสิ่งแปรเปลี่ยนตลอดพร้อมจะเป็นอดีตที่กำลังจะเกิดและอนาคตกำลังมาดังนั้นปัจจุบันสามารถจับต้องได้ไหมครับก็มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เนะี่ยคุณไม่อยู่กับมันเองแต่มันจับไม่ได้ปัจจุบันมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆปัจจุบันมันเคลื่อนทุกขณะพูดปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแนละ้ว ให้ดูว่าทุกอย่างมันไหลเป็นกระแสน้ําเราไปนั่งที่ท่าน้ําดูสิเราดูสิ่งที่มันไหลมากับน้ําใช่ไหมเรือเอ่ยขยะเอ่ยสมัยลอยกระทงก็กระทงเยอะแยะไหลมาแล้วก็ไหลไปไหลมาแล้วก็ไหลไปแต่ขอให้ใจเราอยู่ที่ท่าน้ําก็พอแล้วกันไม่ต้องไปตามมันอะไรจะมาก็ปล่อยมันมาอะไรจะไปก็ปล่อยมันไป เราก็อยู่ในปัจจุบันของเราอยู่กับอุเบกขาแล้วใจเราจำปลอดภัยจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจปัญหาเกิดแล้วไม่ยอมอยู่ปัจจุบันเลยพอเห็นอะไรดีพอไอสิ่งที่ดีมันจะไปก็รีบคว้ามันพยายามดึงมันกลับมาพอยิ่งดึงก็ยิ่งเครียดเพราะมันไม่กลับมันไปแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาก็พยายามจะถีบมันไปมันก็ไม่ยอมไปมันก็ไปอยู่แต่มันไปช้าต่อความต้องการของเรานั้นเอง นัป้ปล่อยมันทุกอย่างแล้วใจจะไม่เครียดที่เครียดเพราะเราพยายามไปจัดการกับสิ่งที่เราควบคุมจัดการไม่ได้ <Yeah. S 1> เราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักอุเบกขาคำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณนางค่ะแต่ก่อนเห็นเขามีทุกอย่างใจเราก็อยากได้กับเขาแต่ปัจจุบันนี้ใจเราไม่อยากได้เยอะๆคนนั้นรวยใจเราก็ธรรมดาแสดงว่าความอยากน้อยลงหรือคะพระอาจารย์ ก็ยังไม่รู้เัานนั้นมองคนอื่นเนี่ยแต่ตัวเราถ้าเกิดมีใครเ้ายืย่นเงินมาให้อยังอยากหรือเปล่าถ้าก็ามีมีเสนอเงินขายว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ไปร่วมลงทุนไหมเราก็ต้องดูที่การปฏิบัติคือความคิดใจเรามันหลอกได้คิดว่าเราไม่โลภไม่อยากหรอกแต่พอมีโอกาสขึ้นมานี่แหมมันก็อาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาก็ได้ดังนั้นอย่าให้ใจหลอกใจ ต้องดูที่การปฏิบัติอยู่ที่การกระทาดูที่เหตุการณ์ถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงแล้วไม่เอาจริงๆอันนั้นเราจะได้รู้คาถามจากคุณสุขค่ะเราตั้งใจอาโหสิ ก, กรรมให้ทุกคนที่เคยทำร้ายเราแต่ถ้าบางคนเขายังตั้งใจอาฆาตเราโกรธเกลียดเราไม่เลิก อยู่ข้างเดียวและเราสงสารเขาที่เขาไม่ปล่อยวางเราควรวางจิตเช่นไรดีครับอุเบกขาไงเมื่อสงสารแล้วมันทําให้เราทุกข์เราก็ต้องอุเบกขาปล่อยเขาไปเขาอยากจะพยาบามบก็ปล่อยเขาพยาบาทไปแต่เราอย่าไปทุกข์กับการพยาบามบของเขาคําถามจากคุณบีนาค่ะถ้าเราเจอผู้ชายที่เหยียดเพศหญิง และตั้งกฎ ต, งต่างๆให้เห็นว่าผู้ชายเหนือกว่าเราควรทำใจอย่างไรในฐานะคนปฏิบัติธรรมคะ่ะอ๋อก็ปล่อยเข้าไปอยู่ถ้าไม่ต้องอยู่เขาก็อย่าไปอยู่กับเขาแล้วกันถ้าอยู่ก็เถอะถ้าทำใจไปอย่าไปยุ่งกับเขาทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพตมานัตตาใครอยากจะเป็นอะไรใครอยากจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา นอกจากว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนเขาได้ก็เปลี่ยนอย่างพระพุทธเจ้าเปลี่ยนองคุลีมาได้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนบวชองคุลีมานว่าไปผิดทางสิ่งที่ควรฆ่าไม่ใช่คนสิ่งที่ควรฆ่าคือกิเลสเนีพ่ยพูดปับองคุลีมาเข้าใจก็เลยกลับมาเปลี่ยนเป็นฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสบวจ ก, ก็เลยกลายเป็นผ้าหลานขึ้นมายัางถ้าเรา บอกเขาได้ก็บอกถ้าบอกก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามตามความต้องการของเขาเพราะไม่เชนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากันคำถามจากทาง facebook นะคะจากคุณสุกุมารมีคำถามสงสัยว่าเรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธเรานอนทำได้หรือไม่คะร่างกายพักจิตทำงานต่อไปจนหลับ ได้ก็นั่งเพื่อหลับไงไม่ใช่นั่งเพื่อสมาธิถ้านั่งถ้าต้องการสมาธิเราไม่นั่งกันกพรานั่งแล้วมันจะหลับขณะนั่งมันยังหลับเลยบางทีต้องโอตาหารเพื่อไม่ให้มันหลับคำถามจากคุณรูปนามค่ะทำไมไม่สวดมนต์เป็นภาษาไทยครับก็เขาต้องการที่จะ อนุลักษ์ภาษาเดิมยังไงภาษาธรรมนี่เป็นภาษาบาลีเขาก็เลยสวดภาษาบาลีกันก็เลยโง่กันเลยไม่รู้สวดอะไรไม่เข้าใจความหมายของคําสวดเพราะคําสวดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยคาถามจากคุณสุค่ะสตินี้ควบคุมตัวรู้ไหมหรือว่าสติควบคุมตัวคิด ให้คิดไปทางปัญญาแล้วตัวรู้ก็จะรู้ไปกับตัวคิดด้วยกันก็นั่นแหละควบคุมตัวคิดควบคุมตัวคิดค็คุมตัวตัวรู้ให้คิดไปในทางที่ถูกตัวรู้ตัวคิดมันก็เป็นเหมือนฝาแผดนะมันอยู่ด้วยกันคำถามจากคุณพรพิมลค่ะ การที่เราช่วยชีวิตลูกนกโดยที่เอาน้ําสบู่ราดบนญ้าแล้วไส้เดือนขึ้นมาแม่นกขับไส้เดือนให้ลูกนกกินการช่วยแบบนี้เราผิดศีลข้อหนึ่งร้อยเปอร์เซนตไหมคะจากคลิปต่างประเทศค่ะ อ, อ๋อถ้าเราไม่รู้ว่าแถวนั้นมีไส้เดือนที่จะโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทําบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเรารู้มีเจตนาว่าจะให้ ไสเดืยนมันโผล่ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นอาหารของนกนี้มันก็มีเจตนามันก็บาปคำถามจากคุณประทวนค่ะถ้าเราจะไปนั่งภาวนาที่ป่าช้าเราควรทำตัวอย่างไรคะเราจะตัดความกลัวลงได้ค่ะออคนที่จะไปป่าช้านี่ต้องรู้เองว่าจะต้องทำยังไงถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งไป คำถามจะคุณดีค่ะจะทําอย่างไรดีกับเพื่อนที่คบกันมาก่อนแล้วตอนนี้ไม่ได้คบกันแล้วตอนนี้เขากลับมาพูดทําร้ายรวมกลุ่มกันพูดลุมทําร้ายควรทําอย่างไรดีกับเพื่อนแบบนี้คะก็เคว่าเพื่อนที่เรารู้จักเขาตายไปแล้วก็แล้วกันคนนี้เป็นเพื่อนที่เราไม่รู้จักเป็นเพื่อนใหม่เป็นคนใหม่ ยังคนเราเปลี่ยนได้คนเก่าตายไปคนใหม่โผล่ขึ้นมาในร่างกายอันเดียวกันก็คิดว่าเขาเป็นคนที่เราไม่รู้จักไปก็เแล้วกันคำถามจากคุณแนนค่ะหนูเป็นคนที่ทำอะไรซ้ำๆนานๆจะเบื่อง่ายเช่นนั่งสมาธินานก็จะเบื่อจะแก้ไขอย่างไรดีคะอ๋อต้องนั่งให้มันได้ผลเลย ถ้านั่งได้ผลน่นมันจะไม่เบื่อมันจะติดใจมันอยากจะนั่งบ่อยๆที่เรานั่งไม่ได้ผลเพราะเราไม่มีสติเรานั่งไม่มีอาจารย์สอนนั่งไปตามประศีภาษาของเราไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้จิตเราสงบดันั้นถ้านั่งไม่สงบนี้ต้องมันฝึกสติให้มากๆ ก, ก่อนพยายามพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันคอยหยุดความคิดปรุงแต่ง แล้วเวลานั่งจิตจะสงบพอสงบแล้วที่จะติดใจเนี่ยมีสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เราทำแล้วจะไม่เบื่อก็คือการนั่งสมาธิเพราะถ้ามันสงบแล้วมันจะมันจะติดใจมันเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคำถามจากคุณเชอรี่บอสซัมค่ะถ้าเราดำเนินชีวิตผิดพลาดยากที่จะแก้ไขในทางโลก พ่อแม่ต้องผิดหวังมากถ้าเราจะขอท่านใช้ชีวิตที่เหลือทำแต่สิ่งที่ถูกต้องด้วยการอยู่วัดถือศีลแปดตลอดชีวิตเพราะเราเสียเวลาไปมากแล้วถ้าช้าต่อไปอาจจะตายก่อนก็ได้จะไม่มีอะไรดีบ้างเลยแบบนี้จะเป็นการอากตันยูทำให้ท่านผิดหวังอีกครั้งไหมึงเพราะทำให้ท่านต้องอับอายเพื่อนดินทาว่าลูกไม่ประสบความสาเร็จจึงไปเกาะวัด ไม่ช่วยทํามาหากินแบ่งเบาภาระไม่อยู่ดูแลท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวทิ้งให้ท่านต้องเผชิญปัญหากันต่อไปก็คิดว่าดีกว่าไปติดคุกกิจตารางก็แล้วกันไปอยูวัติมันไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเสียหายคนคนจะคิดอย่างไรก็คิดไปการไปอยู่วัดนี้ไม่ได้ไปเกาะกินวัดการไปอยู่วัดเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติคำตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทำกฎกติกาของวัดทุกอย่างก็เหมือนกับไปโรงเรียนวันนี่เป็นโรงเรียนใครมาอยู่วัดก็ต้องทาตามกฎกติกาของโรงเรียนไม่ใช่มาอยู่ฟรีกินฟรีก็ไม่ให้อยู่หรอกวัดคนที่มันจะอยู่วัดนี่ก็ต้องมาทามาเรียนหนังสือเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมมาช่วยทำความสะอาดมาช่วยกันดูแลรัลกษาถาวรวัตถุต่างๆสถานที่ให้อยู่อย่างสงบเรียบร้อย เป็นคนที่ไปว่าคนมาอยู่ว่านี่เป็นคนมันเกาะกินวัดแสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำถามจากคุณบูราพาค่ะเวลานั่งสมาธิทุกครั้งที่นั่งจิตจะออกไปข้างนอกทุกครั้งพยายามดึงกลับมาแล้วได้สักพักก็ออกไปอีกวิธีแก้ยังไงบ้างครับก็พระเวลาไม่นั่งมันก็ออกข้างนอก <laughs> <laughs> เวลานั่งมันก็ออกข้างนอกเลย ก็ต้องอยาให้มันออกข้างนอกก่อนที่เรามานั่งพยายามดึงจิตให้อยู่ข้างในก่อนที่จะมานั่งถ้ามันยังอยู่ข้างนอกอยู่เวลามานั่งมันก็จะไม่เข้าข้างในหรอกไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันจะเข้าข้างในเพราะเรามานั่งเข้าใจไหมเรานั่งแต่มันก็ยังออกข้างนอกอยู่งั้นถ้าอยากจะให้มันเข้าข้างในเราต้องดึงมันเข้าข้างในก่อนที่เราจะมานั่งไม่ใช่มานั่งแล้วค่อยมาดึงให้มันเข้าข้างในดึงไงมันก็ไม่เข้า เพราะฉะนั้นพยายามดึกมันก่อนที่จะเข้าถ้ายังไม่เข้าอย่าไปนั่งในเสียเวลาคำถามค่ะการที่วัดส่วนมากมุ่งให้คนสวดมนต์สวดภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่คำแปลก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแบบนี้จะมีประโยชน์บ้างไหมเจ้าคะบางทีเหมือนแข่งกันสวดหลังสวดก็มานั่งนินทา ก, กันเจ้าคะ การสวดถ้าสวดแบบมีสติก็จะได้สติถ้าสวดแบบไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเป็นอุบายของการหยุดความคิดปุงแต่งเป็นงานดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันแต่พอหยุดสวดแล้วก็ปล่อยมันไปพูดคุยกันนินทากันมันก็มอนก็ผลที่ได้มาก็หายไปหมด ถ้าหยุดวนแล้วก็ต้องทำต่อไปดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันต่อไปอย่าไปพูดไปคุยกันอย่าไปนินทากันอย่าไปทำอะไรกันไปนั่งสมาธิต่ออย่างนี้ถึงจะเป็นประโยชน์กว่าคาถามจากคุณเฉลยค่ะลูกให้เงินเราแล้วเรานาไปทำบุญลูกจะได้บุญใหมคะ เ, ออเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วแหะ ส่วนเราจะไปทําอะไรนี่เป็ น, เ ป, นเป็นบุญของเราเขาไม่ได้แล้วเขาได้แล้วตอนที่เขาให้เรานี้ก็เถอะเขาได้ทําบุญกับพระอรหันต์แล้พ่อแม่เป็นพระ อ, อรหันต์ของลูกๆถ้าลูกทําบุญกับพ่อแม่ก็เท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหรันต์แะอ่าต่อไปอะไรดับอีกแล้วตัวนั้นดับมึงอือมาช่าเอาดับเลย อ, ย อ, อต่อไป กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะเวลาภาวนาก็สงบดีค่ะคุณพ่อหนูเจ็บขาน่าจะปวดเการ้องเอะอะโวยวายไม่สามารถระงับได้ต้องภาวนาไปถึงขั้นไหนครับก็ถึงขั้นที่มันสงบเลยถ้าจิตสงบเป็นอุเบกขามันก็หยุดร้องได้คำถามจากคุณโมโม่ค่ะ การที่พระบางองค์ท่านมีความสามารถระลึกชาติของคนนั้นคนนี้ได้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้คนฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นหลวงพ่อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรไม่มีความคิดเห็นคำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณสุรีค่ะเมื่อศึกษาธรรมเริ่มรู้สึกชีวิตมีแต่ทุกข์ เราจะวางใจอย่างไรคะก็พยายามดับทุกข์เสียเมื่อรู้ว่าชีวิตมีทุกข์ก็ดับมันไปหาค้นหาสาเหตุว่าทุกข์เกิดจากอะไรถ้าศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าอยากให้มีความทุกข์น้อยลงก็อย่าไปอยากลดความอยากลงความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเอ ง, อ, งอีกคําถามนึงจากท่านเดิมค่ะ เมื่อเห็นใจตัวเองที่คิดไม่ดีกับคนอื่นหรือแม้แต่พ่อแม่ของตนเองเราจะจัดการกับใจเราอย่างไรคะขาสอนใจว่าอยาคิดอย่างนี้คิดแบบนี้ไม่ดีทุกครั้งที่อยากคิดแบบนี้ก็หยุดมันอต่อไปมันก็จะไม่คิดเดี๋ยวให้คิดไปในทางบวกให้คิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่ที่มีมากกว่าสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีในตัวพ่อตัวแม่คิดถึงความดีของพ่อของแม่ กิดถึงความดีของคนที่เราไปคิดไม่ดีกับเขาคําถามจากคุณกรพาพัดค่ะการไปบวชวัดป่ากับการไปเช่าที่พักไกลๆคนเดียวแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นเวลานานๆจะแตกต่างกันมากไหมครับอันไหนจะได้ผลดีกว่ากันครับคือที่เนี่ยมันที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นวัดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย สิ่งที่เราต้องการคือความสงบเวลาที่เรามีต่อให้กับการปฏิบัติแล้วถ้าเป็นไปได้มีครูดีๆคอยนำทางนะรับฉนั้นจะบอกว่าวัดหรือที่นั้นที่นี่มันพูดไม่ได้เพราะที่วัดบางวัดก็ไม่มีครูก็ได้ไม่สงบก็ได้ที่ที่นั่นที่นี่อาจจะไม่มีไม่มีครูไม่มีอาจารย์ มันก็เราต้องดูปัจจัยที่จะส่งเสริมการปฏิบัติของเราคือหนึ่งสถานที่ตั้งวิเวกสงบเอื้อต่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมารบกวนใจสองอมีเวลาปฏิบัติไม่ใช่มีสถานที่แล้วแต่ไปติดภารกิจนู่นภารกิจนี้ไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสามต้องมีผู้นำ แต่สมลดนี้เราโชคดีเราไม่ต้องเอาผู้นำไปทั้งตัวทั้งตนก็ได้เดี๋ยวนี้มีผู้นำในรูปแบบของมือถืออยากจะรู้อะไรก็เข้าไปดูในมือถือก็ได้ถามพระพุทธเจ้าก็ได้อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อ่านคำสอนฟังคำสอนของหลวงปู่หลวงตาต่างๆก็ได้อันนี้เราก็สามารถที่จะมีผู้นำได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเรามีคำถามมีข้อสงสัยอันนี้เราอาจจะต้องท่านที่อยู่เราไม่มีเราอาจจะต้องไปหาผู้ที่เราคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้ไปสอบไปถามพระรูปใดรูปหนึ่งหรือผู้ปฏิบัติใดคนใดคนหนึ่งที่เขามีความรู้ที่จะช่วยเราได้เราก็ไปหาเขาไปเป็นระยะระยะไม่จาเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดแต่ถ้าอยู่ร่วมกันได้ก็ดีจะได้อา่า ว่องไวทันใจจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทำแบบนี้นะคำถามจากคุณสุประวีค่ะดิฉันก็ขอากราบเรียนถามค่ะการพิจารณาอสุภะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายควรพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างไรอย่างหนึ่ง หรือพิจารณาพร้อมกันทีเดียวเลยคะ่ะถึงจะตรงปล่อยวางได้คะ่ะก็แล้วแต่แต่ละคนนี่มันแล้วแต่วิธีของแต่ละคนจะจะทำที่จะทำให้ปล่อยได้แล้วแต่มันไม่มีอะไรตายตัวคำถามจากคุณเอคะ่ะปฏิบัติแล้วรู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องนินทาน้อยลงคิดว่าเราห้ามเขาคิดไม่ได้ แต่เราสบายใจมากขึ้นเพราะไม่ได้อยากให้เขาคิดดีกับเราเหมือนก่อนคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครังนั่นแหละเรากำลังจริญนมรกเพื่อละความอยากความอยากเราน้อยลงใจเราก็เย็นขึ้นสบายขึ้นไม่ร้อนไม่ทุกข์กับเรื่องราวของคนอื่นเขาเขาจะพูดเขาจะว่าอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เลย คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าคนที่มีความโกรธมากๆมักโกรธบ่อยๆให้เจริญเมตตาภาวนาทําอย่างไรเจ้าคะก็เอาเงินที่เราให้เอาเงินไปให้คนที่เราโกรธเนี่ยทุกครั้งเราโกรธใครรีบเอาเงินไปให้เขาบอกผมขอโทษเนี่ยผมไม่ผมโกรธคุณอีกแล้วเนี่ยลงโทษเราอยู่เรื่อยๆต่อไปพอต้องเสียเงินมันก็ไม่อยากจะโกรธละ คำถามจากคุณบัณฑิตค่ะการพิจารณากายทําไมบางครั้งเกิดอารมณ์ปฏิฆะครับอก็พิจารณาไม่ถูกมันก็เกิดแล้วนี่ยหรือว่าจิตมันไม่สงบจิตถ้ามันเป็นปฏิฆะก็แสดงว่ามันห ง, งุดหงิดก็แสดงว่าอุเบกขาไม่มีแล้วก็ต้องหยุดพิจารณากลับไปนั่งสมาธิก่อนทําใจให้สงบก่อนเพราะพิจารณาร่างกายกิเลสบรรดาไม่ชอบนั่นเอง โดยเฉพาะพิจารณาความตายหรือพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายมันจะทำให้เกิดปฏิฆาขึ้นมาได้เวลาเวลาเกิดปฏิฆาแสดงว่าไม่ต้องหยุดพิจารณากลับไปสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาก่อนพอได้อุเบกขาออกมาก็ค่อยพิจารณาใหม่คำถามสุดท้ายคำถามจากคุณสาวค่ะ การทําบุญอย่างเดียวจุดมุ่งหมายคือนิพพานจะสําเร็จได้ไหมคะอ๋อถ้าทําทานอย่างเดียวนี้ก็เหมือนกันแดกเรียนอนุบาลอย่างเดียวจะไปได้ปริญญานี้ยคงยจะไม่ได้เพราะอยู่แต่ชั้นอนุบาลเรียนกี่ปีมันก็อยู่แค่ชั้นอนุบาลไม่ยอมขึ้นชั้นปชั้นมมันไม่เข้ามาหาลัยมันก็ไม่ได้นิพพานทําบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลไม่ บวชไม่ถือศีลบวชถือศีลแปดไม่บวชไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น